เรางเข้าสู่การพยากรณ์แลอนะครับก็คือเราก็ดูว่าปีนั้นอายุจรตกภูมิใดอายุจรก็คือนำปีอ่าวันเดือนปีที่เจ้าชะตานั้นกำเนิดเกิดมาว่าได้กี่ปีเพื่อที่จะนำต้นมาสู่หาอายุจรอย่างสมมติอ่ปีนี้อ่ ได้ปีใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเลขอะไรครับ <4. S 1> เป็นเลขอะไรครับในภูมิในภูมิทักษะเป็นเลข4แล้วก็ดูว่าอายุเดิมนั้นเลขอะไรครับสองและเราก็ดูว่าสองกับ4ี่เป็นพวก อะไรไม่ว่าจะเป็นผู้มิตรผู้ศัตรูผู้ท่าผู้สมพลสองก็ดูว่าดาวอายุจร น, นั้นเป็นเลขอะไรในเดือนชะตาเดือนชะตาเป็นเลขอะไรครับก็เป็นเลขสี่แล้ว3าก็คือนำดาวที่นับศักษาทัา้งสามฐานนั้นผ ส, สมความหมายสีเ่เป็นอะไรเป็นพระนามเป็นอะไรอีกครับเป็นปุนตตะเป็นอะไรอีก เป็นกรรมมะก็คือในปีนั้นดาว4ี่ก็คือธนังบุตตะและกรร ม, มะการงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงินการเงินเลขสีตัวนี้เกี่ยวอะไรครับการพฆษณาประชาสัมพันธ์การสื่อไทยกระอองความไทยกระฐานข้อมูลข้อความส่งผลสาเร็จไม่สําเร็จครับสำเร็จ และดาวสมัยยุปเป็นเลข4ร่วมกับดาวเดิมในอายุปเป็นเลข2เป็นผู้มิตรอ่ะนี่คือเาเรียกว่าสำเร็จเพราะมิตรดีแต่ถ้าในกรณีดาวนักศาบอกว่าร้ายในภู้นักษาที่เป็นดาวบากครอบคือ เ, เลขอะไรครับ3า8 แต่ในภูมิทักษะแต่ในเรือนเจตาก็บอกว่ดีก็คือพยากรณ์ว่ายังไงครับสมมุติ3ามเป็นอายุนะเป็นอัตตาเป็นฮินะเป็นฮินะเป็นอะไรอีกครับเป็นพันทุกเป็นอะไรอีกสุภาพินะฮินะเป็นวัตถิชื่อวย่าพันทุก็คืออุกรรมก็คือเจตาว่าโดยลักษณะก็คือญาติพี่น้องและเป็นอะไรครับเป็นสุภาพ สุภะก็แปลว่าสวยงามส่งเสริมรุ่งเรืองแต่เนื่องด้วยเขาเป็นดาวบาปเพราะหรือดาวผุนลคือในภูมิทักษาบ่งว่าดีแต่ในเรือนชะตาบ่งว่าร้ายก็พยกรเป็นกรามการที่จะรู้ว่าเขาจะทำงานช่วงไหนเราก็เอา ดาวในภูมิทักษะนะครับก็คือตรงเลขสามเขาจะสมผลตอนวันที่เท่าไหร่เราหาได้ในดาวสวยอายุจรแต่อ่ะถ้าในกรณีที่ในภูมิทักษะก็บอกว่าร้ายในเรือนของสัตว์ะเลขาก็ร้ายอันนี้ก็คือพยากรครับว่าร้ายแน่นอนและอ่ะข้อห้าคือ ใช้ดาวเสวย อ, อายุเป็นตัวตัดสินเพื่อพิจารณาอย่างท่องแท้ว่าดาวนั้นให้ผลเป็นเช่นไรระยะเวลาเท่าใดเนื่องด้วยผลอะไรโดยอำนาจหน้าที่ความหมายรวมทั้งพบและจากราศีด้วยอันนี้ก็คือต้องนําไปตรวจสอบในละครับในปฐมกําเนิดเพื่อจะหาเรื่องอำนาจท่าความหมายหน้าที่และนํามาเข้าสู่อะไรครับกรรมาจาก ตัดสินโดยเสาสิเนรุปก ร, รนี่ครับจะต้องไปทำความเข้าใจใเกี่ยวบเรื่องดาวสวยยุให้ของแค่เพราะการเริ่มนับจะต้องเริ่มนับที่อะไรครับอายุายนี่คือหลักในการพยากรณ์นะครับและคราว น, นี้ในเรื่องที่เจ็ด ั ง, งิเก็คือ ม, มรติมคราจิตยี่ิเนั้นก็มาจากอะไรครับรูปาวจนจิต15บวกด้วยอรูปาวจจิต12เป็นมรดจิตยี่ิเหรือว่าอะไรครับเป็นองค์ฌานทั้ ง, งยีของมรดจิตและตามหลักอรรศาสตรก็แบ่งลึดลึดก็คือกลุ่มออกเป็น9้ากุ่มเุมนั้นก็คือณวางวาง ว่างั้งกาก็คือโลกตรุธรรมหรือว่าอวิชพ โ, โลกแบวกด้วยชีวิตโลเหนึ่งหรือว่าชีวิตสารนวครามการใช้นกการใช้นักานวางนั้นก็คือใช้นักเวลาที่เจ้าการเขากำเนิดเกิดขึ้นมาโดยนักหาจากรบขนาเเดียไปต่อนะครับกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่9 คือในกลุ่มดาวกลุ่มที่หนึ่งของนาวารัง ก, กานั้นเขาเรียกว่าธริธโทลึกลึกนี้แปลว่าลึกขอทานหรือลึกชูโชคก็ใช้สำหรับไปการไปเจราจาเพื่อที่จะขอนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่อย่างการไปขอไม่ว่าเรื่องราวใดต่างๆเพราะนี่เป็นลึกคือลึกเขาเรียกว่าลึกสำเร็จ ว่ากโนก็คือลึศิษยีไม่ต้ออธิบายนะครับโยโร ล, ลึกจอมโจรจําได้ไหมครับที่ไอ้อิงส ก, กะหรือว่าพระบาฮาเกระอะไรครับงองปริมาณท่านก็เกิดในลึกท่านก็เกิดในลึกนี้แต่มันก็น่าแปลกว่าทำไมท่านสําเร็จได้ก็จะมีคำอธิบา ย, ยครับ <S <S 1> <S 1> ภูมิปาโลภูมิแปลว่าภูมิก็คือแผ่นดินปาโลหรือปาระปาระคือประตูประตูหรืผู้รักษาก็คือลึกผู้คองแผ่นดิน เรื่องนี้ใช้ในการสําหรับอ่าอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ที่มาครอบครองคำว่ากระตับขึ้นสเตตนะครับพูดก็คือซึ่งแนคือสำหรับขัานการฝ่ายบริหารฝ่ายปกครองนะครับเทสาตีลึกแม่สยาเรมลึกนี้ก็คือใช้ในการเปิดร้านที่ซึ่งเกี่ยวกับการโมโัลลกีนะครับเทวีเป็นลึกราชธิดาราชธิดาแปลว่าเรืลึกนี้เป็นเรื่องหญิงงามแต่ไม่ใ่งามเมืองนะ คือลหญิงผู้สวยอันมีความรู้เพชรข้าหรือราชมัรราชมารก็คือผู้ที่ทําหน้าที่ประหารประหารแทนพระราชาและลึกราชาลึกราชาหรือลึกระตัดนั้นก็คือลึกผู้ยิ่งใหญ่ในการราชาพิเศษขึ้นครอบครองแผ่นดินซึ่งหลังน้ําทักพีโนทบตุกคนพระแม่ธรณีก็คือใช้ลึกนี้ครับอันนี้คือเรียกว่าลึก ผู้ครอบครองหรือลือผู้เป็นใหญ่และสมโนรื่องก็คือรื่องนักบวชแล้วคราวนี้ใน1นึ่งรื่องก็จะแบ่งออกเป็น9ส่วนก็คือ11นาที15วินาทีสิเอนาที15วินาทีนั้นก็จะแบ่งเป็น9ในแต่ละส่วนก็จะได้75วินาที75วินาทีก็คือแบ่งออกแล้วก็คือ1นาที15บห้าวิในสิเอ็นาที15วินาทีนั้นไม่ว่าท่านจะอธิษฐานปรักทูบหรือทำอะไรท่านก็ต้องดูรื่ด้วยนะครับ และสำคัญที่สุดก็คือนักนานั้นลันลนนคลนาส่งผลอย่างไรต่อนะวางต้องตรวจสอบข้อบีอีกนะครับลัคนาส่งผลอย่างไรต่อณวางเพราะณวางก็จะแบ่งออกเท่าไหร่ครับเป็นสาในสามแบ่งออกเท่าไหร่เป็น้านี่ครับทำเสร็จหรือยางครับ เพราะว่าเราจะเรียนกันพวกนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับพระอภิธรรมภาคคำนวณก็จะพุ่งนี้ก็คือเหมาะสําหรับการวางลื้การวางเวลาการเดินทางและก็คือการจัดเตรียม ว, ว่าณขณะ น, น, นี้ในวัดที่ท่านอยู่เป็นผู้ดูแลรักษาท่านอยู่ตําแนหน่งไหนและอะไรส่งผลต่อท่านในขณะ น, นี้ พูดง่ายๆคือการวางภูมิเนี่ยการวางภูมิแุบแนี้นะครับการวางจัดเพื่อให้มหาภูตรูปส่งผลเช่นไรอ่าอยากําหรับท่านที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องแม้กระทั่งการปฏิบัติสามาจิครับเพราะจะมีผลทุกอย่างอ่าอันนี้เป็นเรื่องพรุ่นี้นะครับเพราะว่าจะเป็นวันที่จบการศึกษาเกี่ยวกับวิชาภาคํานวณนะจะไม่ให้เกี่ยวทั้งหมดอ่าแล้วเสร็จแล้วนะครับ ถาสำหรับผู้เรียนไปแล้วเสร็จก็ถ่ายภาพไปบ น, นแล้วไปเขียนต่อนะครับคดาวจันทรได้โปรจรเข้าไปสวยหรืออะไรโดยใช้วิธีการตำหลักคนที่ดวงชะตาแบบแบบอุบัติการโดยเนงให้วางจุดทของวันประสงค์นั้นเป็นฐานที่หนึ่การวางจุดทีของวันประสงค์เป็นฐานที่หนึ่งก็คือเราก็คานวณดูว่าวันนั้นมีขี ของวันเป็นอะไรสัตตเลขาเป็นอะไรมาเป็นอานอัตตาอนุ ก, น ก, ก็คือเกษรเจ้าเรือนวรณะก็คือเอาปีพุทธศักราชที่ประสงค์โลกด้วยยุละศักราชในหนึ่งแปดหนึ่งานทีเกษษ็บเศษนำมาใช้ถ้าเป็นเปียที่กสุลธิมก็คือแปลต้องหนนบวดเข้าไปอีกหนึ่งนี่คือการวางจุติีของวันนะครับ <c oughs> สอง ยามใหญ่ที่ทําการเป็นฐานที่สองปัญหายามใหญ่ยามย่อยเราทราบแล้วอ่ะยามย่อยเป็นฐานที่สามเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วก็คือทําหน้ากระบาดสนที่ดวงชะตาก็คือเข้าสู่กรรมจับว่าแล้วก็ขั้นหน้าคือพี่นารู้ว่าดาวจันทรอยู่ราศีอะไรอยากรู้ว่าดาวจันทร์อยู่ราศีอะไรก็คือจันคือเลขอะไรครับออ่าก็คือจันทร์เลขสองนับจากตนุเราก็จะทราบว่าจันร์นั้นอยู่ ในเจ้าเรือนอะไรให้เอาเวลาเป็นตัวกาหนดลืกกจันตามเวลานั้นและเมื่อได้ลืกจันแล้วตรวจว่าเป็นลื้อที่เท่าไหร่การหาก็คือการหาก็บอกว่าณนะเวลานั้นนะับจากลัคนาไปตรียามที่เท่าไหร่ณนะวางที่เท่าไหร่เราก็จะได้ลึกว่าตั้งแต่หนึ่งถึงนั้นจันอยู่ที่ลืกอะไรก็คือจงมัต ทำการต่อคำนวณต่อในการสูตรการให้ลึกนะครับ ก, ก็ ค, ค, คือให้เอาลึกในราศีจัะอยู่นั้นตั้งไว้ลึกก็มีอะไรครับทริโ ท, โทมาตโนโจโรภูมิปรารโอเทาศเาตีเทวีเป็นเจ้าคราชาสมโนอลหนึ่งถึงเก้าแล้วคราวนี้เขาอยู่ราศีอจากราศีมัณะวังมาเป็นตรียางยตรียางเวนนวังจากนารวังว่ามันจะลึกถึงยี่สบเจ็เขาอยู่ที่ลึกที่เท่าไหร่ในยี่สิบเจ็ดนั้น เพราะว่ามันก็จะมีะะผมไปกล่าวครับข้อไว้ลึกไปราคาร์ณนี้เอาวิบากวิบากรวมวิบากหาจากหลักที่เท่าไหร่ครับหลักที่4ก็คือปิฏกาปนันโและลาภ ะ, ะเป็นปฏิสนธิข้อไปแล้วหลักที่หนึ่งคืออัตตะตนุและมรณะเป็นวิบากรวมปฏิสนธิของผู้ทําการนั้น <c oughs> การที่จะรู้ว่าปฏิสนธิ ของผู้ที่จะทําการนั้นเราคือหาเท่าไหร่ครับหาสองใช่ไหมครับต้องหาทั้งสองส่วนทั้งณเวลาที่ประสงค์ทั้งละกรรมะของเจ้าการก็คือผู้ที่ต้นเหตุของเรื่องที่จะมาทํานั้นน่ะบวกเข้ากับลื้จันเอาเจบฐานผลลัพธ์ที่ได้ทิงและนำเศษนำมาใช้ในการห้ามลื้ก็คือไม่ทําและการให้ลื้ก็คือกระทําได้ เศษหนึ่งถ uh, ึงเจดอ่าเศษหนึ hmm. <hand> well ่งก็เป็นอุบาทลทธเศษสองเป็นกาละลืธเศษสาเป็นมฤตยูฤทธิสอ่าเศษสี่เป็นสุขฤทเศษห้าเป็นสลิทธิ์เศษหกเป็นอูดตวงฤทและเศษเจเป็นเพชรฤอุบาทเปว่าอะไรครับสิงไม่ดีกาละแปลว่าอะไรติดตรงกันข้ามอ่ามฤตยูมฤตยูอะไรครับ ะมระดกติยูก็คือสิ่งที่อุบัติขึ้นมาฉับพันโดยไม่คาดหมาย <c oughs> และแทนธาตุแทนธาตุของมรติยูคืออะไรครับศูนก็คือความว่างเปล่าการละเป็นอะไรแทนธาตุครับแหนตาหูอ่ะแต่ถ้าสุขฤกษ์สำริดฤกษ อ, อ่ะสุ ข, ขะความสุขไ ง, ไง่ายๆสำริดก็คือประสิทธิภาพประสิทธิผลปุบโดก็คือความอะไรครับ มังคั่งร่ำรวยเพชรชารื้อเพชะร ư, พชะรื้อเรื่องนี้อาจจะชื่อเหมือนไม่ค่อยดีแต่ความจริงก็คือเรื่องที่แกร่งที่สุดเรื่องนี้ทำไรครับเกี่ยวครับาการทำศัดปลาครับอ้าวยังดับยังดับฟ้าหื้อ น, อนแผลอะไรเนี้ก็คือท่า น, นึ่งห้ามีิให้ก็คือปูบากาละมอนุอสตโย เพราะถ้าทำการมงคลก็จะสิ้นายก็คือสิ้นจะปูนงาความดีทั้งผู้ให้และผู้ทำการนี่ครับ9กา <c oughs> ดีอะไรนะทาไรนั้นก็เป็ก้ า, า, า, าดีสิ่ดีมันดีจริงหรือเปล่าดีเอใครนี่ครับอ่าสองฝาอันนี้เป็นคนเฉ พ, พาะพักนะครับก็คือนึงให้เอาจร์ักรารปีที่ต้องการสร้งอ่าก็ หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งนะครับขออไปเขียนให้จบการเรื่องเสียก็คือให้เอาจุดศักราชปีที่ต้องการประสบามสำเร็ก็คือพุทธศักราชลบด้วยจุดศักราชก็คือหนึ่งแปดหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไร่และบวกด้วยจุดติการหาจุดตีให้เอาวันที่ท่านบวชนะครับ หรือวันที่ท่านรับตำแหน่งเป็อเจ้าว่าหรือตำแหน่งสุดท้ายนะครับที่ท่านได้รับถ้าเป็นสมรภเมิสองผลลัพธ์ที่ได้เท่าไหร่เอาสิบสองหารผลลัพธ์ทิ้งเศษนำมาใช้สให้เริ่มนับเท่าจำนวนเศษโดยเริ่มนับที่ราศีพฤษภเป็นราศีที่หนึ่งไปตามราศีจนพรบ ตามราศีจนครบนะครับอเป็นจนครบจำนวนเศษที่ได้สมมุติว่านับได้ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมครับสมมติกานะาแล้วคราวนี้อยู่ในเรือน อ, อะไรครับาการศีกแต่ยังไงใดก็แล้วแต่นะครับท่านจะต้องเอาเลขหนึ่งถึง 9, และมีสูมีตนุเศษมียานัทสนะแล้วก็มีลัคนาเอามาประกอบร่วมนี่คือกรรมะบวชอ่ะเขาเรียกว่ากรรมะพิสุตสมณะเพศของท่านเองแลง้วมาคำนวณหาสูตรและเศษที่ได้ก็คือนับสมุตรจำนวนห้าคือนับมาห้าถ้านับปีอ่าสมมติ 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. า้าก็นับอีห้ารับหนึ่งอสามสี่ห้ามากรน่มากรนับปีห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วคราวนี้ถ้าเลขที่อยู่นะครับเฉพาะพระนะครับไม่เกี่ยวโยงจจะมีอาทิตยคือเลขหนึ่งการเลขสองอาการสามเสาอะไรครับเจดราหวงลแปนอยู่ในเรือนแล้วก็ส่งผลอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือลาสึกแน่นอนครับแต่ถ้าท่านไม่ต้องการประหลงที่จะซื้อ ก็คือย้ายวัดไปอยู่ไกลๆเสียแล้วครานี้ยฟึ่งวิจนาเสาสินเนรืนะครับนี่ยังไม่ย้ายมัอยู่นี่ไงมันจะติดไปแล้วมาหลอกล่อได้ถ้าห้าอยู่สิตรงตำแหน่งเลยครับ ดูสีตา่างเจ็ดก็จะเป็นมนุษยสยามสองอ่อไปดูสีต่างแล้วเป็นมนุษยสยามอ่ะสองก็จะเป็นมนุษยสยามนี่ยังไงก็คือณเวลานี้ให้ท่านย้ายวัดนะครับยังไงก็แล้วแต่ให้เอาห้าเคลนอยู่ตรงตำแหนง่งดูสีตา่างแล้วท่านก็พึงย้ายวัด แต่ถ้าดูตำแหน่งนะครับถ้า2ขึ้นเสียงเกียรเป็นไรครับ <c oughs> อัลนลักล้งางตังอะไม่ผมไม่ได้ถามเรื่องศัตรูเกียเป็นไร <c oughs> ตำแหน่ง <c oughs> เป็นอันลักล้าง <c oughs> และคันนี้เกียร์เป็นอะไรครับ <c oughs> เกียร์ก็คือที่อยู่ที่อยู่เป็นไรเบอรฝัน <c oughs> วา่างเปล่าก็คือวิธีอยู่แล้วพระเป็นเลยครับหมพระนังถ้าอย่างเงี้ยยาได้อยู่กับที่นะครับท่านจะต้องแก้ไขโดยการใช้ อ, อ, อะไรถ้าเกิดในตําแหน่งนักเวลาถ้าท่านทําเสร็จแล้วเรียกสมณะครับมาด้วยกันห้ามใจเดี่ยวเพราะอะไรป้องอกันเลครับป้องกันอะไร <c oughs> สถีเพศเกี่ยวกับเรื่องการถูงใส่ความเกี่ยวกับเรื่อง การปรราคเต็มเต็มเา็อย่างี้เมเต็มขาเรียกจัดหนักเรียนได้มาเพราะอะไรครับหนึ่งเป็นอาทิตย์เป็นมิตยกับครูแล้วครานี้เขาเชื่อเราไหมไม่เชื่อ50 50 50เออแทนอ่าเขาเชื่อเรา50 50แต่ชื่อเสียลือกระชอนแดนไกลเพราะอะไรครับ ปากต่อปากนะครับถ้าไม่เชื่อก็อคืออย่างที่เราเคยเล่นเกมให้คนคนหนึ่งพูดอยู่ตรงนั้นและให้คนสุดท้ายวิ่งไปตอบเรื่องเดียวกันไหมไม่ใช่คนละเรื่องนั่นแหละครับอาการนะั้นและสามคืออะไรครับสามเป็นอะไรลักษณะาการเคลื่อนที่ <c oughs> การจอนจักไปแต่การจอนจักไปอยู่ในตำแหน่งอะไรครับทุกแล้วกลับมีสิทิ์กลับไหมอย่างเงี้ย <c oughs> ต่อให้ท่านบริสุทธิ์ให้ตาย <c oughs> ท่านก็กลับไม่ได้เพราะ มีร้อยปากยากจะพูดนี่ครับเยอะครับพูดที่ปฏิบัติีปฏิบัติชอบแล้วโดนแค่อย่างเงี้ยเป็นไงครับสเป็นจิ้งสองเป็นสีดีทั้งวันเนี่ยสเป็นสีดทั้งวันการที่เรารู้มันก็ดีครับแต่มันดีกับใคร ดีเวลาไหนสถานที่อย่างไรใครนํามาให้เวลาเท่าไหร่รักษาใดอย่างไรแล้วก็ตรวจได้นี่ครับอยู่ในอะไรสถานการณนักเวลาไ น, <c oughs> นี่คือคนจำเพาะพระนะครับวางไปเลยสองพันสี่วางไปเลยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องแต่ใดๆอเอารนะครับพี่คือพี่ยาลาของเราเองว่าตีน้ำวิบากรรมเขาเรกว่าวกรรมเขาเรียกว่าวิบากรรมของเราน่ะ ถ้าไม่อยากถูก<ด>หให้หย้ายไปอยู่ที่ไกล ๆ, ๆสและ <ใน S 1> ท่านก็ต้องมา <ๆ S 1> ดู ต, ตำแหน่งของท่านาได้อันนี้ใช้เดินพุกสัตว์ทะเลขาหลักที่สามสี่และห้าว่าท่านเกิดมาในพระพุทธศาสนาเนี้ยท่านเกิดมาทำอะไรมันก็จะมีหนึ่งถึงอะไรครับเกียและหนึ่งถึงเกียนั้นอยู่ในตำแหน่งไหน ปาริวาละจะถึงกาลกินีอะถ้าห้าบังเกิดเป็นสีตกทับภูมิกาลกินีคนบุคคลคนนี้เข้ามาในพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะมาเป็นมารศาสนาโดยแท้รู้สึกยิ่งเส้นด้วยอ่ะราคานี้ถ้าเรารู้ครับสมมติเรารู้นะเราจะไปอยู่ภูมิไหนนี่ก็คือทิศไรครับทิศต่างๆ แต่เลขที่อยู่สมมุตินะครับ <c oughs> วันนี้่อสองขับใช่ไหมครั บ, รรบหนึ่งสองเป็นธะนางท่านก็ต้องมาตรวจด้วยว่าปฏิสนธิของท่านก็คือไปเกิดที่ไหนดีที่สุดปฏิสนธิของท่านสมมุติว่าเป็นเลขสอง ถาตัวนี้ตกอะไรครับทนางแต่ทนางนั้นตกในตาแหน่งอะไรบริวารและบริวาร น, นั้นส่งผลอย่างไรเป็นทนางเป็นอะไรครับปุตตะเป็นอะไรอีกเป็นอะไรครับวินาศนะเป็นวินาศนะพูดง่ายๆคือท่านก็คือผู้เป็นลูกน้องเขาผู้อยู่เบื้องหลังช่วยหาตังค์และไม่มียื้อเสียง อ้าวก็ย้ายนี่ครับถ้าต้องการใหญ่ยอดยญ้ายอดยางมันที่หลวงพ่อท่านพูดเอามั น, ปนปไปปลูกไว้อีกที่หนึ่งมันอาจสูงกว่ายอดยา ก, ก็ได้ <c oughs> แล้วคราวนี้ท่านก็ดูว่าปฏิสนธิของท่านและนำมาร่วมกับอะไรครับ <c oughs> ภูมิทักษะในเรือนของสัตตลิกาเรือนในท่านก็จะสามารถและ บ, บังคับให้ท่านเป็นอะไรก็ได้เมื่อท่านอยู่ถูกทิศถูกที่ถูกทาง และถูกเวลาด้วยนี่แหละครับคือความอัศจรรย์ของวิชาพระอภิธรรมภาคจำนวนของคำภีมหาจักรพัฒนีรา ต, รตัจนุทพสุวรรณภูมคําหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามันยังไงระหวา่างคือนหนึ่งกษัตริย์ร้อยแปดกษัตริย์นะครับ108ร้อยแปดกษัตริย์ก็คือร้อยแปดเจ้าเมืองก็คือจังหวัดนั่นแหละ <c oughs> ก็จะขึ้นตรงต่อหนึ่งมหากษัตริย์ ร้อยแปดมหากษัตริย์ก็จะขึ้นตรงต่อ